พึงพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบอย่าไปคิดอะไรต่ออะไรมากมายคิดเท่าไรมันก็ไม่จบโลกอันนี้พอมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็แปรปรวนไปแตกตับไป ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ควบคุมจิตไม่ให้คิดสร้างไปคิดไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นทุกข์เปล่าๆความทุกข์จิตทุกข์ใจมันก็ เกิดขึ้นเพราะใจไม่สงบถ้าใจสงบตรงไปแล้วมันไม่เป็นทุกข์ก็เอ็ดผลดังกล่าวมานี้แหละจึงเป็นเครื่องชักจูงใจให้สนใจการนั่งสมาธิภาวนา แต่คนผู้ประมาทแล้วมันยอมตกเป็นภาสของตันหาจะทุกข์จะเดือดร้อนอยังไงทางจิตใจมันก็ยอมมันก็ยอมให้ตันหาพ้นพิษเอาเดือดร้อนอยู่นั่นไม่ยอมหาทาง ระงับตัญหาผู้ที่มีสติรู้ตัวได้ก็จึงไม่ควรประมาทควรรักษาจิตให้ดีผู้ใดสนใจในการฝึกฝนจิตผู้นั้นชือว่ามีบารมี แก่กล้าพอสมควรผู้ใดไม่สนใจในการฝึ ก, กจิตคือว่ายังมีบารมีอ่อนอยู่ยังตกเป็นทาสของทิเดทันหาอยู่มากมายดังนั้นควรพากันพิจารณาตัวเองว่าทนเองนั้น มีบารมีน้อยมากเพียงใดก็รู้ได้ด้วยความสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือไม่สนใจนี่แหละเมื่อรู้ว่าตนสนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ท้อถอยก็ถือว่ามีบารมีแก่กล้า เมื่อมีบารมีแก่กล้าอย่างนี้แล้วมันก็เสื่อมได้เหมือนกันถ้าผู้ประมาทไม่กระทาติดต่อกันไปมันก็เสื่อมได้เพราะมันยังเป็นธรรมโลกีอยู่ดังนั้นให้เพ่งจิตดวงนี้ให้มันเข้มแข็ง ดังที่เคยแนะนำมาแล้วนั่นแหละจิตนี้ตามปกติมันวกแวกไปตามอำนาจของกิเลสในเมื่อยังไม่ได้ฝึกขนเพื่อไม่ให้มันวกแวกอย่างนั้นเราจึงต้องฝึกแห่งกันกำหนดรู้กัน กำหนดรู้แต่จิตนั้นนะไม่รู้สิ่งอื่นเลยเอาย่อๆพอเมื่อควบคุมจิตได้แล้วคุณประพฤต์คุณประธทรรมคุณประสงค์บุญกุศลความดีอะไรที่เราทำมาก็บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่จิตนั่นหละหมด ไม่ไปไหนเพราะว่าจิตนี้เป็นที่รองรับซึ่งบุญซึ่งคุณทั้งหลายถ้าไม่มีจิตดวงนี้บุญคุณก็ไม่มีให้พึงเข้าใจสุขทุกข์ก็ไม่มีที่เราปาร ก, กันอยู่ว่า ชีวิตนี่เป็นทุกข์นั่นก็หมายถึงดวงจิตตวงนี้เองนะเมื่อมันไม่รู้แจ้งธาดสี่ขันห้าตามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นทุกข์วันไหวไปกับขันห้านั่นแหละวันไหวไปกับวันไหวไปกับกิเลสตัณหากิเลสตัณ ห, หานี่ มันทำจิตให้ป่วนปั่นไม่ได้ทำจิตให้สงบระงับส่วนธรรมะทำจิตให้สงบให้เยือกเย็นธรรมะหมายถึงธรรมชาติที่สงบที่เยือกเย็นมันเป็นฝ่ายกุศล เช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะเมืราเพ่งเมตตาเข้าไปมากๆเข้าไปจิตก็เย็นสบายเปยน็นยัง้นเพ่งกรุณาเข้าไปจิตก็เกิดสงสารทั้งตัวเองและทั้งุคลอื่นสัตว์อื่น สงสารอะไรสงสารว่าหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักทางออกนี่สาวาจะออกจากสงสารนี่โดยทางไหนาอถ้าหากว่าเรารู้ตรึกาหนอนหลังได้ก็ก็จะรู้ได้ว่า ชีวิตนี้ท่องเที่ยวเกิดแก่จิบตายมาในสงสารนี่ขนาด น, นับชาติไม่ทวนเลยฟ้า น, นั้นมันก็ยังไม่เบื่อความเกิดแก่จิบตายก็เพราะอาวิชาตันหานั่นแหละมันครอบงามจิตไว้ทำให้จิตนั้น มืดมนนึกว่าไม่ไม่มีทางออกจากโลกอันนี้มีเท่านี้จิตรวงนี้ก็เลยคล้องอยู่เลยเกาะโลกอันนี้เป็นที่พึ่งไปก็ได้รับความเดือดร้อนไปดังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละาบางคน มีร่างกายสมบูรณ์ดีโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนแต่โรคคือกิเลสก็เบียดเบียนจิตใจทาไม่เกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดไม่มีเวลาพอ้ก็เป็นทุกข์ใจ่ยมดีนลนสแสวงหา ถ้าไม่ทุกกายก็ทุกใจอย่างที่ว่านี่แหละเวียนเสียแต่ท่านผู้รู้สัจธรรมของจริงเท่านั้นท่านบำบัดโรคทางจิตคือกิเลสให้น้อยเบาบางหรือสงบลงไปแล้วเมื่อจิตไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีใครเป็นทุกข์เลย ร่างกายอันนี้มันไม่ว่าอะไรอ่ะถ้าจิตสงบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปกติหมดไม่มีใครมาบ่นทุกข์ปวนยากอะไรเลยก็ลองทำดูแต่เมื่อจิตยังไม่สงบนั่นมันมีผู้เป็นทุกข์ผู้เป็นสุขผู้เดือดร้อน มันมีอยู่พระเนี้ก็คือจิตนี้เองเป็นผู้้เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่พึ่งพิงอาศัยอันแข็งแรงอจิตจึงเรเร้อนพเนจรไปทั่วหาที่พึ่งที่อาศัย ครัถ้าส่งจิตออกไปข้างนอกเท่าไรนั้นแทนที่จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีทางมีแต่ความเดือดร้อนพาขทุกสิ่งในยในโลกนี้ไม่มีอะไรกีรังยัง่งยืนจ่ไปพึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้มีเงินมีท้องมากมายกายคลอง เมื่อตายเป็นผีไปแล้วจะเอาเงินทองนั้นไปใช้ก็ไม่ได้ถ้าจิตอะไรก็ไปก็ไปเกาะไปคล้องอยู่นั่นกรรมมัน ก, กระแต่งให้เป็นสัตว์หรือว่าเป็นว่าอย่างดีหน่อยก็เป็นภูมิเทวดาเฝ้าอาศัยผุมทรัพย์อ น, นั้นอยู่ แต่ว่าเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่เฉยๆกลัวคนจะมาเอาไปกลัวมันจะสูญจะหายกมก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ตื่นตัวกันให้รู้ตัวไม่ควรจะเมาเกินขอบเขต ยิงอยู่การแสวงหาเงินทองเข้าของสำหรับผู้ครองเรือนนั่นน่ะมันก็เป็นธรรมดาแต่แล้วบุคคลแสวงหาโดยอำนาจแห่งโมหะความหลงความไม่รู้เท่าเช่นนี้ก็ย่อมแสวงหาไป เกินอขอบเขตเมื่อแสวงหาเกินอขอบเขตมันก็มันก็พอพืชทุติริตอะไรแบบนี้นะ่ะต้องการอยากได้ได้มากๆแต่บุญวาสนาของตนมันยังน้อยอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะอาํานวยผลให้มากๆได้คราวนี้เมื่อมัน ไม่ทันกับความอยากมัวแต่แสวงหาโดยทางที่ชอบอยู่แล้วมันไม่ทันความอยากมันก็แสวงหาในทางทุจริตผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้างมันก็ดิ้นไปอย่างนั้นไงก็เลยได้ประสบบาปกรรมความชั่วร้ายก็บังเกิดขึ้นในจิตใจ บาปกรรมเหล่านี้แหละนำาดงขีดให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่มีที่จบถ้าไม่หยุดยั่ยงตัณหาอาวิชชาความอยากความปรารถนาต่างๆมันนี้ให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอย่างนั้นแต่คนเราถ้าว่า ฝึกจิตใจใ ห, ให้มีความอยากพอประมาณไม่ว่าอยากอยู่ในกรอบแห่งศีลนเง่งธรรมมันจึงบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้เป็นนักบวชก็ดีเป็นกครืหัสก็ดีก็เป็นเช่นนั้นแ่ะเป็นนักบวช ก็มีความอยากของนักบวชรบกวนจิตใจให้สงบระงับไม่ได้ความอยากของนักบวชก็ม่ไม่ผิดแปกจากทา้านเท่าไหร่หรอกก็มันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั่นเอง ไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่นักบวชที่เมื่อปรารถนาจะมั่นคงในพุทธศาสนาต่อไปหวังว่าจะทำละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วก็ต้องเป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อย สันโดษชอบสังหัดปรารบความเพียรบ่อยๆไม่ยอมปล่อยให้กิเลสมันครอบงำหรือไม่ยอมปล่อยจิตให้สร้างกิเลสขึ้นมาในใจิตใจจิตนี้ถ้าหากว่าไม่ควบคุมไม่ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่รู้ตัวเองปล่อยให้ตนเองหลงไปตามกระแสของโลกอย่างนี้นะมันก็สงบไม่ได้มันจะเป็นเคร่งหัดก่อตามเป็นนักปวดข้อชั่งตัวอยู่ในวัดแต่จิตใจไปอยู่ในบ้านนู่นอย่างนี้นะมันจะ มันไม่มันสงบไม่ได้เลย้าต้องควบคุมความรู้สึกนี้ให้อยู่แต่ในวัดนี่ให้พิจารณาดูข้อวัดปฏิบัติอันใดที่สมณะจะพึงทำแล้วก็ต้องพิจารณาให้รู้ถ้าไม่ปล่อยจิตไปไกลกว่านี้แล้ว พิจนารณาอยู่ในบริเวณวัดที่มึงก็รู้แล้วข้อวัดปฏิบัติถ้ามาใหม่ตนยังไม่รู้ก็ก็ดูคนอื่นดูพระเนรนอื่นทำแล้วก็พอพยายามทําตามข้อวัดปฏิบัติที่ผู้มาก่อนได้ทําลงไป อย่างไรเราก็เอาอย่างกันไปแต่ว่าคนจะรู้ว่าเมื่อเขาทำไม่ถูกเราก็ไม่เอาตามอันใดที่เขาทำถูกทำดีเราก็ทำตามเป็นงั้นก็ยังว่าสาวะโคแปยว่าผู้เชื่อตามกันทำตามกันแม่ไม่ได้ฟัง ค, คำสอน ของพระพ เ, เจ้าต่อพระพักด์ของพระองค์ก็ตามได้ฟังกับพระสาวก ข, ของพระองค์ที่ท่านรู้ดีรู้ชอบแล้วนั่นมันก็สามารถที่จะนำชีวิตของผู้เป็นนักบวชนี้ให้จเจริญรุ่งเรืองไปได้แต่ลำพังตนเองนั่นนะยังยังไม่รู้รอบครอบ รู้ข้อวัดปฏิบัติหรือรู้คุณงามความดีก็ได้เป็นบางอย่างเท่านั้น <Okay. S 1> แต่บางอย่างยังไม่รู้อย่างนี้นะอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการสะดับตราฟังด้วยแล้วก็อาศัยการดูตัวอย่างผู้เพื่อนธรรมมาก่อ อ, อย่างนี้โดยเฉพาะก็คือการสํารวม ตาหูจมูกลิ่นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบเข้าก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่แสดงอาการยินดีหรือยินร้ายไปตามเมื่อเวลา บริโภคอาหารก็พิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี่ก็เพื่อให้ชีวิตเป็นอยู่ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์อมเมจันเพื่อได้มีกําลังกายกําลังใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อ บันเทาราคโทสะโมหะให้เบาบาง อ, อุปจากขีดใจหรือหมดไปสิ้นไปเราไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความอ้วนพีเพื่อความสวยงามต่างๆนานาหมนีเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็รู้ได้ว่าอาหารน่มันเป็นทั้งเป็นของโสกปกรกด้วยแล้วพิจารณาลงไปถึงธาตุก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นเองไม่มีอะไรนอกนั้นนะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วไฟธามันย่อยส่วนละเอียดไปเรียงร่างกาย แล้วส่วนยากก็เป็นกาดก็ทายเทออกไปก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ต้องพิจนารณาให้มันเห็นความจริงของอาหารการบริโภคเหล่านั้นมันถึงไม่หลงไหลกำนัดยินดีอยู่ในอาหารการขบชั้นแม้เราจะฉันเพียงมือเดียวอย่างนี้ เมื่อจิตใจมันไม่หิวแล้วร่างกายมันก็ไม่หิวมันก็อยู่ได้การหลับการนอนก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นโทษของการนอนมากนอนมากนอกจากสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแล้ว ก็ยังปิดถนทางเห็นสติปัญญาเมื่อให้เจริญขึ้นได้เพราะว่าผู้ที่นอนมากนี่มันไม่ได้คิดให้นึกไม่ได้ทำความเพียนทางจิตใจธรรมดาปัญญานี่มันย่อมเกิดจากความเพียนเพียนพยายามดำริตริตรองเหตุผลในนั้นเรื่องนั้นนั้น ทั้งทางดีและทางชั่วและไม่ดีไม่ชั่วก็ต้องคิดต้องพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆบ่อยๆโดยอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปแลว้วก็พิจารณ า, างี้นะเมื่อภาคเปี่ยนพยายามอยู่อย่างนี้ ปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นนะออืเมื่อพิจารณาเห็นความจริงสิ่งต่างๆแล้วก็ปล่อยวางเพราะว่าความจริงของสิ่งอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่จิตที่ไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามไปจริงมันะ สำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปมันก็ยึดถือเอาไว้อย่างนี้นะเหตาฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ถ้าใช้ปัญญาสอนจิตให้พงให้วางเสียเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วไม่คิดไม่วิจารไม่เสียใจดีใจ กับสังขารทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นใน แ, แปรปวนแตกดับไปเมื่อเวลามันเกิดขึ้นเวลามันเจริญไปก็ไม่ดีใจไม่พึ่มใจเช่นเวลาเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มกำลังวังชาดีอยองนี่ก็ไม่เพลิดเพลิน ไม่มัวเมาในความเป็นหนุ่มในความมีกำลังแข็งแรงก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองว่าถึงร่างกายนี้ถึงร่างกายนี้มันจะเป็นปกติสุขมันจะมีกำลังแข็งแรงแต่มันก็แข็งแรงไปไม่ได้นาน ไปไปแล้วมันก็ชำรุดชุดโทรมลองอย่างคนทุกวันนี้ยิ่งอายุสัน้นเพื่ออายุสั้นแล้วเกิดมาไม่ทันไรก็แก่แล้วนี่คนร่างกายชำรุดทุดโทรมโรคภัยเบียดเวียนแล้วไม่เช่นนั้นมันก็ไม่เจ็บไม่ตา ย, ม, ม, ายมันก็ไม่ตายง่ายคนเรานะที่มันตายง่ายก็เพราะว่ามัน ร่างกายนี่มันมีกรรมเป็นเครื่องตกแต่งถ้าถึงวรระของกรรมอันไม่ดีตกแต่งให้มันก็เอาแหละทำํทำให้ชารุดทุดโทมไปอืมกพ็พิจารณาให้เห็นอย่างนี้แหละแล้วพี่น่าให้เห็นอย่างนี้สเสมอสเสมอไปแล้วมันก็จะไม่ลืมตัว ก็จะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวนี่ก็รู้กายรู้จิตนี้เองรู้ว่าจิตนี้รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงโยรู้ว่าขันห้านี่มันแปรปวนไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็แตกดับคำว่ารู้ตัวนะก็รู้อย่างนี้อะ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่เสียใจเวลามันวิบวับไปมันก็ไม่ดีใจเพิดเพลินในเวลามันเป็นปกติทุขวลานเป็นปกติสุขก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปทำอย่างไรจิตใจจะสงบก่อนนั่งสมาธิภาวนาเข้าไป ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ดเหนื่อยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆแล้วก็สู้ทนนั่งสมาธิเอาจนใจมันสงบลงอันใจมันจะสงบลงได้ก็เพราะความเพียรความอดทนความอดไม่คิดอย่างนี้นะ มันอยากคิดเราจะไม่คิดเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นกิเลสมันวาชวัวในคิดเราจะไม่เอาไม่คิดความคิดนั้นมันก่อให้เกิดกิเลสทา น, นาประการท่านจึงถูกเป็นคํากรอนไว้ว่ากามเกิดแต่ความคิดเราจกไม่คิด ความคิดก่อกามนาสูจากวดทังการกิ่งพร้อมพันใบน่นี่เลยก็แสดงว่าเมื่อหยุดคิดลงแล้วความรักความใครมันก็ไม่เกิดถ้าวิตกวิจาร์ไปเท่าไหร่ความรักความใครมันก็ยิ่งมีกำลังแรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นนะเปน็นยางไน ดังนั้นให้ปากันหยุดยั่งความคิดความดำริไปในความรักความใคล้ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเรื่องมูลนี้มันอยู่กันกับการฝึกทั้งนั้นแหละการฝึกก็คือการสำรวมจิตการกำหนดเพ่งรู้จิตอยู่ในปัจจุบัน เดินไปก็กาหนดรู้จิตว่าเป็นปกติอยู่ยืนอยู่ก็รู้จิตว่าเป็นปกตินั่งอยู่ก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหรือไม่ปกติอย่างนี้นะก็รู้ถ้ารู้ว่าจิตยังไม่ปกติ มันยังคิดใส่ไปนู่นไปนี้เอาฝกเพ่งความรู้อันนั้นเข้าไปเพ่งละความคิดอันนั้นการที่จิตเลื่อนลอยไปแสดงว่าสติมันอ่อนแอสติไม่เข้มแข็งยางนั้นเราจึงกระชับสตินี้ให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือระลึกอยู่ในความรู้อันเดียวนั้น ไม่ระลึกไปทางอื่นหมายความว่าอย่างนั้นให้สติมันรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเพ่งรู้อยู่อย่างนั้นนี่เมื่อสตินี่มันแก่กล้าได้เพราะการเพ่งการกำหนดรู้นี่นะ ไม่ทำอย่างนี้สติก็ไม่เ ก, กล้าสติอ่อนแอแล้วจิตก็สงบไม่ได้มันก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไลหลไปเท่าอำนาจของกิเลสสตินี่ท่านเปรียบวไวเหมือนกับทํานกกั้นน้ำถ้าทํานบนั้นแข็งแรงดีน้ำมันหลากมา มันก็เอานามใส่ชวนใส่นาอะไรได้ตามประสงค์จิตใจนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อฝลุกฝึกใหข้มันสงบตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้มันความคิดความนึกทั้งหลายมันก็เป็นไปในทางกูดสน มันเป็นไปในทางความยินความสบายใจเพราะว่าการที่สกัดกั้นความคิดทางจิตใจให้มันหยุดลงได้หมายความว่าเมื่อคิดไปสเพรห์เหระเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรเหมอนนั่นนะสกัดให้มันสงบลงไปได้แล้ว ทีนี้จึงค่อยคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์มันเองเรียกว่าเจริญปัญญ า, าทางที่เป็นประโยชน์ทาคิดอย่างไรก็คิดว่าไอจิตที่มาถือมั่นอยู่ในขันหานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเป็นทุกข์ดังนั้นปัญญาจะต้องสอนจิตนี่ไม่ให้ถือมัน่น ให้เพียนจะอาศัยมันอยู่เท่านั้นอาศัยมันเพื่อบําเพ็ญบุญกุศลเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์เราไม่ได้อาศัยธาตุสี่กันหน้านี่โดยวิธีอย่างอื่นไม่ได้อาศัยว่ากันหน้านี่ถงไปแสวงหาลาบยศสรเสริญ้วยความสุข กายสวายใจให้ได้มากมากตามความต้องการของตัญหาไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอาศัยขันหานี้เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อภาวนาสมาธิทำจิตให้สงบเพื่อเจริญปัญญา ให้เกิดขึ้นเหลือปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันธ์ทั้งห้าอันนี้ลงไปตามสภาพอย่าได้ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อปล่อยวางขันธ์ห้านี่ลงได้ไวตามสภาพของมันแล้วกิเล 1, 5, สพันห้าตันหาร้อยแดอะไรก็ไม่เกิดนะ อันนีน้อันกิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจมากมา ก, กเพราะจิตยึดถือขันหานี้เองเนี่ยคิดมายึดถือขันหน้าสำคัญว่าขันหน้านี่เป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ควรประดับประดาตกแต่งอวดกันใครมีเงินมากๆก็หาซื้อทองคำมา ใส่แขนบ้างใส่ค้อยคอบ้างใส่นิ้วมือบ้างใส่สารพัดประดับประดาหเหลืองไปทั้งตัวที่เขาเรียกว่าตู้ทองเคลื่อนที่นันเมื่อโจรมันเห็นเข้ามันก็นำลายไหลดะมันอยากได้ มันก็หาผลทางที่ล้นเอาถ้าต่อสู้ก็ฆ่าให้ตายแล้วลอกคราบไปนี่แหละความหลงของจิตใจนี่มันเข้าใจผิดไปคิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้รับความยกย่องสรรเสริญจากคนเอินหรือว่าตอนนั้นมั่งมีสีสุก มีเงินทองเข้าคลองมากตอนนั้นสำคัญผิดไปมันเป็นภัยต่อชีวิตความสำคัญผิดเพราะฉะนั้นอ่ะจึงไม่ควรผู้บวิปฏิบัติธรรมผู้สแสวงหาทางออกจากทุกข์ก็ไม่ควรที่จะไปหลงไหลอ ย, อย่างนั้น เราเอาศีลเอาธรรมนี่ประดับคายวาจาใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะศีลธรรมนี่แหละสวยงามดีผู้ใดมีความบําเพ็ญทางกายวาจาใจเรียบร้อยดีปฏิบัติไปตามคำสอนของอุทยจ้าสไม่ให้กระทบกระทั่งคนอื่นให้ เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้คนทั้งหลายมองเห็นว่าคนผู้นั้นเป็นคนสวยเป็นคนงามคนทั้งหลายก็ย่อม น, นับถือเคารพนับถือหรือผูกมิตรม่ตรีจิตต่อกันแลยกันบรรดาคนดีทั้งหลายมันก็ชอบคบหาสมาคมกับคนดีนั่นแหละ ไอ้คนไม่ดีมันก็ต้องไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทัศนความเห็นมันตรงกันโลกอันนี้จะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาในสงสารนี่ บางคนต่างสร้างคุณงามความดีหรือว่าทําความชั่วไม่เท่าเทียมกันบางคนก็ทําความดีน้อยทําความชั่วมากบางคนก็ทําความดีมากทําความชั่วแต่น้อยอย่างนี้แหละแล้วผลมันอํานวยให้ในภายหลัง ก็รู้ได้เลยนั่นแหละผู้มีความดีน้อยก็มีความสุขตามน้อยผู้มีความดีมากก็มีความสุขมากมีอายุยืนทำความดีได้มากกูได้มีความดีเป็นทุนมาแต่ก่อนแล้วนะแล้วก็มันก็มาดนจิตใจนียใ ห, ให้อยากทำความดีอยากฝึกตนอยาก ละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นนี่แหละบุญเก่ามาันมาโดนบั ด, ดาลนะให้เข้าใจคนมีบุญน้อยติดตามมาแต่ก่อนแล้วมันไม่มีกำลังที่จะมาส่งเสริมให้จิตนี้มั่นขยันภาคเพียรพยายามรักษาศีลให้บริสุทธ พยายามทำสมาธิให้เกิดขึ้นพยายามเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปนี่คนบุญน้อยมันไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีดังกล่าวมานี้ให้เกิดมีขึ้นได้ผู้ที่มีความพอใจในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ให้แก่กล้าขึ้นในตนได้นั้นก็เพราะตนมีบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่ก่อนมากแต่ชาติก่อนก็ได้คบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือสาวกของพระองค์ได้รับคำแนะนำให้เห็นความสำคัญในการฝึกฝนกายวาาใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมาโดยลำดับอย่างนี้นะแล้วผู้นั้นได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนแต่อินทร์บารมียังยังไม่เต็มมันก็ต้องมาเกิดอีกอเกิดมาแล้วก็บุญกุศลกระโดนบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ตัณหาคือความอยากในในจิตใจนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดดังนั้นต้องควรละตัณหาไม่ควรเลี้ยงตัณหาไว้ความที่ตัณหาดับไปจากจิตใจนี่ได้ชื่อว่าความทุกข์ ทางใจก็ยอมดับไปดับตัณหาความอยากได้น้อยความทุกข์ก็ดับไปตามน้อยดับตัณหาได้มากความทุกข์ก็ความทุกข์า ท, กทางใจก็ดับได้มากก็เป็นอย่างนี้แหละความดับทุกข์ดับที่ความอยากในใจิตใจ สุดแล้วแต่ใครจะดับได้เท่าไรเช่นอย่างว่าผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ก็ให้เห็นโทษแห่งตันหาที่พายไปทำบาปทำกรรมเห็นโทษแห่งตันหาพาให้ไปฆ่าตั์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กลามุสาวาท ด, ดื่มสุราเมรยัยกัญชายาสินเฮโรอีนเล่นการพนันขันต่อเป็นเจ้าชู้มายาสาไถมูนี่นะตันหาเหล่านี้มันเป็นตันหาส่วนหยาบมันทำให้คนเราทำบาปทำกรรม เบียดเบียนบุคคลอื่นตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอเมื่อทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับมาสนองตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนในภายหลังก็เป็นอย่างนี้เรื่องมันนะตัญหาประเภทนี้เนะ่ะควรละก่อนอื่นทั้งหมด ไม่ว่าเครือหัดไม่ว่านักบวชบวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรเจริญสมาธิปัญญาอย่างว่ามาแล้วนั้นตัณหาอันยำยาบนี่มันก็ไม่ระ ง, งับเลยมันยังอยากอยู่มากมายเปน็นยังไงถ้าเป็นเครือขัดหากว่า ไม่พิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาดังกล่าวมานั้นมันก็สะสมตัณหาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำบาปได้มากเข้าไปเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นอย่าไปข้ามกายตัณหาส่วนหยาบนี้ต้องพากันพิจารณาให้มันเห็น ให้เห็นโทษของมันจริงๆเมื่อเห็นโทษของมันว่าตัณหานรพลายทำบาปมีพาณาติบาตเป็นต้นมันพาตนไปสู่ทุกข์ในนรกอบายภูมิเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่ทำบาปต่อไปมันก็หาทางเว้นเนร่ะว่าเบื่อทุกข์ ในนรกในอบายภูมิหรือเบื่อทุกในการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อกรรมเนิที่ทำมานั้นยังไม่หมดก็เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มีอวัยวะร่างกายบกพ้องชำรุดสุดซอมไปทำความดีอะไรก็ไม่ได้ นี่เศษบาปไม่ใช่ว่าไปตกนรกพ้นจากนรกมาแล้วหมดไปเลยนะบาปนะมันยังไม่หมดเศษมันยังมีเนี่ยพากันให้พากันเบื่อหน่ายต่อบาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันจะนำไปสู่ทุกข์ในอภายภูมิแล้วก็นำให้เป็นทุก ตอนเกิดเป็นมนุษย์มาก็ไม่สมบูรณ์หากตกบกพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายอันนี้ดังนั้นเนะ่ยอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นความจริงแท้ๆนะแต่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ย เมื่ออวิชชาตัะหากครอบงำแล้วมันไม่ยอมรับความจริงดังกล่าวมานั้นมันคิดว่าตนอยากได้สิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นตามประสงค์แล้วตนจะมีความสุขอวิชชาเอไม่รู้มันครอบงำจิตใจมันรู้ผิดไป ไปอยากได้ของไม่เที่ยงเมื่ออยากได้ของไม่เที่ยงได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปอ่าจิตใจที่มันหวงแหนมันก็เป็นทกุกข์แบบนี้นะมันความจริงก็เป็นอย่างนี้น ะ, ะเมื่อจิตนี่มันรับความจริงเหล่านี้นะอืมอันนี้เป็นจริง เมื่อเป็นคาจริงอย่างนี้เราก็รู้เท่าอย่างว่า น, นเนี่ยอาศัยมันแต่ไม่ไม่ติดอยู่ในมันอาศัยขันห้าแต่ไม่ติดอยู่ในขันห้าหมายความว่าอย่างนั้นอาศัยมันบำเพ็ญบุญกุศลอาศัยฝึกจิตนี้ให้สงบระ ง, งับ เพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะปัญญาปัญญาอบรมจิตเมื่อปัญญาอบรมจิตบ่อยๆเข้าไปแล้วพระพุทธเจ้าแสดงว่าย่อมได้วีมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาได้ นี่แสดงว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกขไปได้ในขั้นใดๆก็ดีก็เพราะอาศัยปัญญาโดยแท้จริงเริ่มตั้งแต่ทุกในอวายภูมิดังกล่าวมาแล้วนั่นนหะบุคคลจะละบาปอันจะพาไปสู่นรกอวายภูมิได้ก็เพราะใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองนี้เสมอเสมอ สอนให้มันเห็นทุกข์เห็นภัยในอาบายภูมินั่นเนี่ยการไปตกนรกนี่มันแสนทุกข์แสนยากลําบากแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปตกนรกในปัจจุบันนี้หากว่าทําบาปกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็จะไปอืมบาปกรรมนั่นแหละมันนําไปเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้ว จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังไม่ใช่พระองค์เดาเอาจะไปเดาไงพระองค์สร้างบา ร, รมีมาทั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากลับก็เพื่อให้รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงพระนิพพานนี่ เพื่อเพื่อรู้แจ้งอย่างนี้เองเนะี่ยถ้าคนไม่มีบุญบุญไม่มากพอแล้วไม่สามารถจะรู้แจ้งได้อย่างว่านี่นะดังนั้นอย่าไปสำคัญว่าบุคคลจะพ้นทุกได้โดยโดยวิธีอื่นไม่ต้องสั่งสมบุญกุศลก็พ้นทุกได้ไม่ควรจะไปเข้าใจไปอย่างนั้น เข้าใจไปอย่างนั้นมันก็ผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื้อมานะ่และผิดจากความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะได้ตัดสรุ้เป็นพระริเจ้าก็เพราะพระองค์ได้สั่งสมบุญบารมีมามีฐานะบารมีเป็นต้น มีอเุเบกขาบรารมีเป็นที่สดนี่คำว่าบำเพ็ญบรารมีก็คือก็เพื่คุณธรรมอันเป็นผ่ายกุศลนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดสิ่งใดเป็นอกุศลไม่ทำเช่นการให้การบริจาคทานอย่างนี้นะมันไม่มีโทษอะไรนะมีแต่คุณแต่ประโยชน์ การรักษาศีลการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะมันก็เป็นความดีสิเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วมันก็เอเื้อเพื่อเกื้อกูลกั น, นมันจะไม่เป็นบุญกุศลอย่างไรแล้วนนการประพฤติในกรรมะคือการออกบวชอย่างนี้นะเมื่อพระพุพเทธเจ้าตรัสว่า การบรรพชาอุปสมบทนี่เป็นอุบายเว้นจากเวียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้นะการตั้งใจฝึก้นอบรมสติปัญญาให้เคยขึ้นแก่ตนของตนอย่างนี้มันก็เป็นความดีเพราะคนมีปัญญาจึงจะเอาตัวรอดจากทุกจากบาปจากโทษได้ คนขาดปัญญาแล้วไม่สามารถจะละบาปกรมคมชั่วต่งางๆได้ท่าน เ, เรียกว่าปัญญาบา ร, รมีเนะ่ะขาดความอดความทนแล้วก็ละกิเลสไม่ได้ละบาปกรก็ไม่ไดอ้อย่างที่แสดงมาแล้วแต่เบื้องต้นน่นแนะอันบาปมันรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อน เมื่อตนยังไม่มีปัญญาพอที่จะละมันให้ขาดออกไปได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนี่นะให้อาศัยความอดทนอดกั้นอดกั้นจิตไรไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งเมื่อมันคิดไปทางบาปทางอากุศลต่างๆแค่นี้บาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ที่มันเกิดมาแล้วมันก็เบาบางออกไปจากกิจใจนี่คันติบารมีสำหรับอดกั้นทนทานละความคิดที่เป็นบาปอากุศลต่างๆเป็นคิดโลภอยากได้สมบัติฟูนเอาเป็นของตนเมื่อตอนไม่มีปัญญาสามารถจะละมันได้ก็อดทนเอาไม่ให้มันโลภ คิดโกรธอย่างนี้นะเมื่อมันอยากโกรธผู้อื่นก็มองเห็นแล้วว่าความโกรธมันเป็นโทษเป็นเวรเป็นภยัยแต่ว่ามันอดไม่ได้คนส่วนมากป็อย่างนั้นกดตั้งความอดลงทำไมอดไม่ได้เมื่อเราตั้งความอดลงแต่มันไม่ตั้งนี่ไม่สร้างความอดให้เกิดมีขึ้นมันจะอดได้ยังไงแล้ว ก็ตั้งความอดลงในใจเข้าไปโอดเราจกไม่โกรธอย่าง น, นี้อดใปมากๆเข้าไปแล้วความอดมีกำลังกล้าแล้วกิเลสคือความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงในที่สุดมันกระดับไป ม, มันเป็นอย่างนั้นสันติปรมีนะอา้าพถอดเพียงเล็กน้อยมันไม่ มันยังลากกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ก็พาเพียนพยายามอดเข้าไปให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับในอาศัยความเพียนเลยอ้นนอาถ้าอย่างนั้นก็อธิษฐานจิตใจเข้าไปถ้ามันมากมา่กิเลสตัณหามันมากไมยก็อธิษฐานถึงบุญบารมีของตนช่วย บุญกุศลอันใดความดีอะไรที่กัปปิเจ้าเดกระทํามาแต่ก่อนโน่โนก็ขอให้มาเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้กัปปเจ้าเดละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้อย่างนี้นะอธิฐานบา ร, รมีนี่มันก็ช่วยให้มีกำลังใจ ในการกระทําความเพียรเบี่ยงบันอย่าไปอธิษฐานไปอย่างอื่นเช่นอธิษฐานไปด้วยอำนาจบุญกุศลนี่ขอให้ข้าพเจ้าถูกกลางวันที่นึงอะไรทํานองนี้ไปเอาบุญบา ร, รมีของพระเจ้าไปช่วยให้หาเงินให้อย่างนี้ไม่ถูกนะ อธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่ได้ดอกถ้าตนไม่มีบุญบุญกุศลไม่ติดตามมาไม่หนุนส่งแล้วอธิษฐานยังไงมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ให้เข้าใจการที่เราอธิษฐานให้จิตใจมีกําลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาเนี่อันนี้ถ้าว่าบุญเรามีเราทาบุญกุศลมาแต่ก่อนจริง มันก็บังเกิดขึ้นในจิตทำจิตนี้ให้มีกำลังเข้มแข็ง เ, ออเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเอาถ้าทำความเพียหรหลือกอธิษฐานใจลงไปแล้วมันก็ยังไม่ไหวก็ต้องสัจจะป ร, ะรมีลงไปออตั้งความสัตย์ความจริงลงในการฝึกตอนทรมานตน มันอยากกลับอยากนอนมากอย่างนี้นะไม่ถึงเวลานอนมันก็ง่วงแล้วเช่นนี้แล้วก็ตั้งความสัตย์ลงว่าตั้งแต่เวลานี้ไปถึงเวลานั้นเราจะทำความเพียรจะไม่นอนอตายเป็นตายอย่างนี้นะเมื่อตั้งความสัตลงแล้วก็ทำความเพียรไป แม้มันจะง่วงเหงาหาวน้อนก็สู้อันนี้นะสู้มันเมื่อสู้ไปสู้มาไม่ถอยความง่วงเหงามันก็หายไปได้นี่มันหายไปได้แหละนี่เรียกว่าสัจธรรมีหรือมันเกียกครคลานบินทบาทอย่างนี้นะ ถ้าเป็นกระเรืองหัดได้วอกเกียดขิ้านทนํานาทําสวนอย่างนี้แล้วก็มองเห็นว่าความเกียรติ้านนี่มันจะพาให้ตนเป็นทุกข์ไปในสงสาราจริงๆเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเอาล่ะเราจะตั้งความสัตว์ลงออย่างนี้เลยต่อเนื่องไปเราจะไม่เกียรติค้านถ้าเป็นนักบวชก็ การบินทบาตเลี้ยงชีพนี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวุกที่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามาจนถึงในปัจจุบันนี้แหละเบ่งอั น, นดังนั้นเราจะถ้าไม่เจ็บไม่ปวยจริงๆเราจะไม่หยุดการบินธบาตออย่างนี้เราจะไม่นอนตื่นสาย เราจะตื่นให้ทันกับเวลาไม่ใช่ว่าเวลาจะไปวินิจบาทจึงตื่นนะไม่ทัน ม, มันต้องตื่นก่อนอนี่แหละที่วางระเบียบไว้ให้ตื่นดึกทุกเช้ามานั่งสมาธิภาวนารวมกันทำวัดสวดมนต์นี่ก็เพื่ออะไรลนะ่ะเพื่อฝึก ให้มันตื่นดึกลุกเช้าไม่ให้ไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนครอบงมจิตใจนี่ความมุ่งหมายนะถ้าถ้าหากว่าบุคคลที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้อย่งังถ้าไปไม่ไม่มีระเบียบเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติดางกลาวมานี้นะ ปล่อยให้อยู่ใครอยู่เราแล้วก็ไม่มีอะไระมีแต่นอนกับโนอนนะอย่างนี้นะแหละในที่สุดกิเลสมันก็ท่วมท้นจิตใจก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้คนเกียค่้านอ่าเปียบงนันดังนั้นเราต้งตั้งความสัตย์บังคับตัวเองไว้อย่างนี้แล้วก็มันก็เอาชนะกิเลสยำหยาบเรานั้นได้ เรียกว่าสัจจะบรารมีอย่างอื่นๆก็เหมือนกันนะเราเราึกว่าจะทำอะไรอย่างนี้ตั้งความศัตว์ลงไปแล้วจะทำอย่างนี้ให้สําเร็จไม่สําเร็จจกไม่ถอยเป็นเสียแต่มันเหลือวิสัยจริงๆนี่ความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับสัจจะบรารมีส่วนหนึ่งให้เข้าใจเมตตามบรารมี ก็เป็นกำลังใจทำให้เราได้ประกอบความเพียรได้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะอะไรนะคำว่าเมตตาต้องนึกถึงตนก่อนเอตัวเรานี่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกยังมีทุกข์ครอบงำอยู่ดังนั้นเราจะต้องพะิยามฝึกตนให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ ดังกล่าวมาแล้วนั้นอืมเมื่อนึกถึงตนอย่างนี้แล้วมันก็ทําเป็นเหตให้ขยันมันเพียรในข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ท้อไม่ถอยเอาเมื่อตนภาคเพียรตนให้ดีได้เป็นหลักเป็นแหล่งพอสมควรอย่างนี้ก่อนนึกถึงผู้อื่นผู้อื่นที่ยังด้อยความเพียรอยู่